นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติสัจนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุติสัจนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมบุตธสัจนิมิตังสาทูลูปนังกตัญญูกตะเวทิตาติ อิมัสสะธรธรมะปริยายัสสะอัทโทซาทายัสมันเตหิสกัจจันธโมโซตมโบตีนโอกาสนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงชี้แจงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ในธรรม เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมสืบไปต่อไปเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลหลายประการเป็นเดือนมหามงคลเนื่องในอภิรักษิตการคล้ายวันพระราชสมภพหรือวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ห้าที่พระองค์มีพระชนมายุเต็มแปดสิบแปดพันษาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ย่างเข้าแปดสิบเก้ามาก็ได้หลายวันแล้วแล้ววันที่สิบเ็ดก็เป็นวันใบฟอเด็ดหรือปั่นเพื่อพ่อซึ่งประชาชนออกมาทำกิจกรรมครั้งนั้นล้นหลาม จนกระทั่งมากมายเป็นสี่แสนห้าแสนถึงหกแสนซึ่งว่าไม่ซึ่งไม่มีปรากฏในโลกอันนี้ที่กระทำอย่างนี้ย่อมชนะการกระทำทุกอย่างแม้กระทั่งสำนักงานของกินิตบุกก็ลงปฏิลงเหตุการณ์อันนี้ไว้ใ น, ก, นกินิตบุกให้ประจับชัดได้เห็น แล้วต่อมาวันที่สิบหกวันที่สิบหกเป็นวันที่กองสลากเขาจะต้องออกสลากกินแบ่งของรัฐบาลแต่วันนั้นเป็นวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกก็เป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ในส่วนกลางก็ไปจัดกิจกรรมที่วัดบวรนิเวศวิหารและวัดเทศสรินทราวาสในส่วนภูมิภาค ก, ก็ทุกจังหวัดทุกอำเภอจัดกิจกรรมหรือว่าจัดวางดอกไม้จันนีทั่วประเทศนับว่าเป็นเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ไม่มีพระมหาเทระองค์ใดที่จะเสมอเหมือนดังนั้นจึงใคร่ครอ กล่าวถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริญายกให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบซึ่งเราก็ได้ทราบมาจากพร ะ, ระบวับัมาบ้างแล้วพระองค์มีความโดดเด่นอยู่เก้าประการหนึ่งเป็นคนที่เกิดในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดทอง การจนะก็คือทองทองทั้งบ้านทองทั้งเมืองแล้วก็ต่อไปก็จะกลายเป็นเศรษฐกิจพิเศษที่เศรษ ฐ, ฐกิจทวายก็ผ่านการจนบุรีอันที่สองเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นพระราชาคณะในนามพระโสผลขนาพรเป็นพระราชาคณ ะ, นน ะ, ระราชั้นสามัญป ร, ริยนเป็นรูปแรก ข, ของรัตนโกสินทร์ ในราชทินานามนี้อันแล้วก็อันดับที่สามก็เป็นพระราชาคณะที่อยู่ในราชทินานามเดิมถึงสองขั้นคือชั้นราชและชั้นเทพก็อยู่ในพระโศภนคนาคนาผรนดันทั้งสองขั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นราชหรือชั้นเทพอันนี้เป็นลำดับที่สามลำดับที่สี่ เป็นพระอภิบาลพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในข่าวที่ทรงผนวชอันดับที่ห้าก็เป็นพระบระมุขเอาเราเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมชั้นธรรมคุณาภรณ์รูปแรกในรัตนโกสินทร์อันดับที่หก เป็นพระประมุกหรือเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์ที่ยาวนานก่อทุกพระองค์อันที่เก็ดก็เป็นพระประมุกเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระสังฆราชในราชาอาณาจักรของไทยนี้ คือพระพองค์มีพระชนมายุถึงร้อยกับยี่สิบเอ็ดวันและมีพระพันษาก็แปดสิบพันษาเท่ากับอายุของพระพุทธเจ้าซึ่งมันเป็นของที่เข้ามาประสบพบเหมาะเป็นของอัศจรรย์อันดับที่แปดเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่อยู่ในราชชนนินน า, นามสมเด็จพระญาณสังวรเสกเช่นกับ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่มีมาในรัชกาลต้นๆก็คือสมเด็จพระญาณสังวรแลวก็สมเป็นสมเด็จพระสังฆราชเช่นกันดังนั้นจึงเทียบในััลักษณะของเจ้าแม้กระทั่งพระโกศก็เป็นพระทองพระโกศทองน้อยทองน้อย ทองน้อยนี่ก็คือเป็นของสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระบรมเรือเจ้านายชั้นสูงทองใหญ่ก็คือพระมหากษัตริย์กุดันใหญ่เนี่ยก็คือเจ้านายรองลอง ล, อ ง, ล, อ ง, ลองมาดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงประกาศเกียรติยศเกียรติคุณให้ปรากฏเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปว่าแม้พระองค์เป็นชั้นสามัญ แต่ได้รับการยกย่องสูงสุดเสมอพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่นี่ก็คือเป็นเกียรติประวัติแล้วอันดับที่เก้าก็คือเป็นสมเด็จพระสังฆราชอันดับที่สิบเก้าเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จั ก, กรีอันดับที่เก้าลงท้าด้วยเลขเก้า ก็คือทำให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าในทางธรรมก็มีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่พระองค์ได้ประกอบและกระทำมาแล้วที่นี้พระเกียรติคุณอีกอันหนึ่งที่มีอยู่ในองค์สมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ก็คือหนึ่งมีพระกะตัญญูกัตวาเทิตาคุณสองมีพระคาระวะติธรรมข้อสามมีพระขันติธรรมข้อสี่มีพระวิริยะธรรมข้อห้ามีพระอภิวาทนาสิกธรรมข้อที่หกก็มีพระสติปัญญาอันยิ่งข้อที่เจ็ด ก็มีเป็นพระปฏิบัติธรรมเป็นพระสุปฏิปโนในกลุ่มเจ็ดประการนี้เป็นคุณสมบัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานสัชวรสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นในการที่เราได้ส่งสเสด็จสู่อมตะมงคลของสมเด็จ พญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้ทุกวันวันนี้ก็ยังอยู่ในเทศกิจอยู่ในกิจกรรมที่จะทำบุญเกี่ยวเนื่องกับพระสพของสมเด็จพญาณาสัวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกอยู่ดังนั้นที่พระองค์มีพระเกียรติคุณหนึ่ง กตันตอยู่ก็ตาเวทิตาธรรอันนี้ความกตันตอยู่รู้คุณนี่แหละเป็นธรรมะที่หาได้ยากพระพุทธเจ้าจะตักไว้ในบทแรกๆเลยว่าความการันต์นอยู่รู้คุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรพระองค์รู้คุณของอุปชาที่บวชให้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อคราวเมื่อพระองค์ไปบวช ที่สถานะเดิมคือวัดเทวสังขารามจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเคารพในอุปชาอาจารย์เนี่ยมีความเคารพสูงมีความกระตันอยูรูคุณพระคาระวะธรรมจะเสด็จไปในที่ต่งตางๆถ้าหากเข็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีอายุพรรษามากแม้พระองค์เป็นสมเด็จพระสังฆราชแล้ว พระ อ, องค์ก็ยังไปกราบครูบาอาจารย์ไม่ว่าสายป่าไม่ว่าสายบ้านถ้ามีอายุพรรษามากกว่าจะไม่ถือพระ อ, องค์นี่มีคาระวะคาระวะธรรมแล้วก็มีพระวิญาณธรรมแม้กระทั่งพระองค์จะมีสุขภาพพลานามัยไม่ดีนะก็มีความวิรยิยะความพระมีมี ม, ม, ม, มีวิริยะความอดทน มีมีวิริยะความพยายามอย่างสูงศึกษาสำหรับตำราคนคว้าให้เกิดความแตกฉานแล้วพระขันติธรรมก็มีความอดทนไม่ย่อท้อแล้วพระอภิวาทนสิทธรรมก็คือมีปกติอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นพระเถระพระมหาเถระที่มีพระสติปัญญาพระองค์สำเร็จปัยนธรรม9ก้าประโยค แตกฉานในอัธถธรรมหลายๆประการแม้กระทั่งภาษาก็ได้หลายๆภาษาแล้วก็เป็นพระสุปฏิปโนในกลุมเช่นเช่นเดียวกับเจ้าคุณนอนเจ้าคุณนอนวัฒเทพสิรินก็เป็นดังเช่นเดียวกันแม้สมเด็จพระญาณสังวรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้นี่ความเป็นมาทีนี้ตะตันยู ก็คือความรู้คุณอย่างที่เรารู้จักบุญคุณของบิดามารดารู้จักบุญคุณของครูอุปชาอาจารย์ครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนให้เรามีวันนี้เราเติบใหญ่ด้วยการศึกษาพัฒนาตัวเองมาจนกระทั่งมีหน้าที่การงานนี้ก็ผ่านมาจากบิดามารดาเป็นผู้เลี้ยงดูคอยอุ้มชูและคอยอุปธรรม แล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นผู้คอยให้แนะเตือนให้ความวิชาความรู้อย่างไม่ปิดบังให้แก่ศิษยานุศิษย์เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์เหล่านั้นเจริญยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีความกตัญญูเราละลึกถึงทำบุญทำกุศลเมื่อท่านละจากโลกนี้ไปเราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ เมื่ อ, อยังมีชีวิตอยู่ก็ตั้งจิตแผ่เมตตาน้อมนึกและลึกถึงคุณของท่านและลึกถึงคุณูปการแล้ว ล, ลึกในใจว่าขอผลบุญผลกุศลที่ได้กระทำนี้จงเป็นเมตตาธรรมให้แก่บุคคลที่มีที่ได้ทำคุณให้แก่เราแล้วในการก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ อันนี้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเองที่นี้คาระวะธรรมเรามีปกติอ่อนน้อมแล้วเอรามีปกติกราบมีปกติไหว้นี้เรียกว่ามีคาระวะธรรมเราไปในสถานที่ต่งตางๆคนที่มีพื้นฐานในการปฏิบัติมาดีแล้วยอมรู้จักที่สูงที่ต่ำ ที่ไหนควรที่ไหนไม่ควรดังนี้นี่เรียกว่ามีคาระวะรมเคารพกราบไหว้ไม่ลุกแก่อำนาจสิ่งที่มันอยู่สูงแล้วเมื่อเราทำพลางพาดไปก็คาระวะเราจะกล่าวคําว่าคาระวะตาพุทธคาระวะตาธรรมคาระวะตาสังฆคาระวะตาแล้วว่าอย่างนี้ก็เรียกว่า กล่าวคำขอโทษหรือขอให้อโหสิโทษจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราร่วงเกินจึงเรียกว่าคารวะธรรมทีเนี้ยพระมีวิริยะก็คือความภาคเพียรอย่างที่เราได้จัดการเทศชุกเดือนเดือนแล้วสองครั้งดังที่เราได้จัดได้ทามานี้ ก็มีวิริยะอุตสาหะแล้วก็มีขันติคือความอดทนทำสองข้อนี้มันจะมาพร้อมกันมาเกี่ยวข้องกันเมื่อเรามีข้อมีข้อหนึ่งมีบทหนึ่งอีกบทหนึ่งก็จะมาสนับส น, นุนไม่ว่ามีวิริยะธรรมหรือขันติธรรมสองบทนี้ก็คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันมันเป็นธรรมอยู่คู่กันมีวิทยาอุตสาหะและความขและความอดทน ทีนี้พระอภิวาธนธรรมก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เยอ่อหยิ่งไม่เยอ่อหยิ่งไม่อวดไม่มีมานะถือตัวว่ามีดีมีเกียรติอย่างนั้นอย่างนี้ไปแบบเรียบง่ายแม้จะแม้กระทั่งที่จะเป็นเป็นประมุของคณะสงฆ์อย่างเช่นเดียวกับสมเด็จพระเทพพ ร, รติสาราชสุดานั้นพระองค์ก็ไม่ถือองค์ จะไปไหนมาไหนก็ไปแบบเรียบง่ายแบบธรมธรมดาธรรมดาอันนี้แหละเป็นที่สเสน่หาเป็นที่โปรดปรานเป็นที่รักเคารพของพระสกนิก่อนแม้สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็เช่นกันเมื่อเราได้ถือประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็จะมีสต่หอยู่ในตัวเราเองและทีนี้เป็นพระผู้มีปัญญามีสติปัญญา ในเรื่องสติปัญญานี้ปัญญาเกิดจากการฟังปัญญาเกิดจากความคิดแนวความคิดดังนั้นการนั่งภาวนาหรือเข้ามานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี้ท่านให้เราเข้ามาเพื่อที่จะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองแต่ดับแรกเราก็จะต้องทําคิดของเราให้มันพร้อมเสียก่อนจึงเรียกจึงจะเกิดสติปัญญาเกิดขึ้น แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยดังนั้นเมื่อเราเรีกกล่าวถึงเรื่องความเป็นมาของธรรมะต่างๆ ต, ตอนนี้มาก็มาเข้าสู่วาระหรือสู่โหมดแห่งการที่เราจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติธรรมหรือนั่งภาวนาเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้ให้มันเกิดประโยชน์การที่ทำจิตให้สงบย่อมชนะย่อมมีบุญมากกว่า การทำบุญใดๆทั้งนั้นดังนั้นการที่จะทำจิตของเราให้สงบมันก็ต้องมีองค์ประกอบก็คือเราจะต้องมีอารมณ์เดียวไม่กาเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกก็คือนั่งอย่างไรที่จะให้จิตสบายนั่งอย่างไรที่จะให้มันให้จิตสงบแล้วก็เกิดความพลองอันนี้อธยาใจของเราที่เคยมาพึ่ปฏิบัติมาแล้วอย่างไรเราก็ทำในอย่างนั้น มันก็จะเกิดความพร้อมแต่ถ้าหากเราจะทดลองดูในการที่จะกำหนดลมหายใจเข้ายาวลมกำหนดลมหายใจออกยาวอันนี้มันเป็นการที่จะกล่าวซ้ำๆซากๆกล่าวเพื่อเตือนว่าทุกคนนั้นกำหนดลมหายใจทุกคนนั้นหายใจเข้าหายใจออกด้วยกันทังนั้นแต่ทีนี้ถ้าหากเรามา ฝึกตัวเราเองด้วยการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวมันก็จะเกิดผลเกิดภาวะการขึ้นกับตัวเรานั่นก็คือพลังพลังของจิตพลังของจิตที่มันร้านอยู่ในจักรวาล น, นี้มันก็จะค่อยๆรวมตัวลงจากที่จิตไม่ได้ไปเกาะเกี่ยว ในอารมณ์ภายนอกที่มันมีความคิดดึงฉุดลากกระชากดึงจิตของเราออกไปแต่จิตของเราอยู่ในตัวของเรานี้โดยมีสติเป็นโคดเป็นผู้นําร่องสติสัมปชัญญะมาพร้อมกันนําร่องโดยมีคำบริกรรมเป็นสื่อที่จะโน้มน้าวให้จิตของเรานั้นนิ่งรวมลงเป็นสมาธิ จิตรวมลงมีอาการเบากายสบายจิตนี่เรียกว่าจิตกำลังพักจิตกำลังสบายแล้วเนี้ยเกิดอย่างนี้เรียกว่าภาวะธรรมภาวะธรรมวันนี้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดปัญญาเพียงแต่เรารวบรวมพลังของจิตให้มารวมลงให้เราได้ ให้เราได้ประจักษ์ชัดเห็นด้วยตัวเราเองประสบด้วยตั ว, ตวเราเองจึงเรียกว่าภาวะัรที่จะน้อมนำให้จิตของเรานั้นนิ่งลงไปทีนี้การที่จะทำจิตของเราให้มันสงบเราจะต้องทำบ่อย ดังนั้นการกำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวที่จะกำหนดลมอย่างไรก็สุดแท้แต่ถ้าหากเราพร้อมแล้วเราชำนาญแล้วจะกำหนดอย่างไรมันก็จิตจะสะงบแต่ถ้าหากไม่ชำนาญยังไม่มีความพร้อมก็ลองมาใช้วิธีการหายใจเข้ายาวจนถึงสะดือแล้วก็หายใจออกยาวผ่อนออกมาสบาย หายใจเข้าไปแล้วกักไว้นิดหนึ่งแล้วก็ผ่อนออกอันนี้มันจะเกิดความสบายมากแล้วก็มันจะเป็นพลังขณะที่เราเพลินอยู่อันนี้มันก็จะกระตุ้นเตือนอยู่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติแล้วก็ทำให้เรามีจิตสงบโดยอัตโนมัติอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนี่เรียกว่าฝึกสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิ โดยเป็นไปติดต่อเหมือนสายโซ่ซึ่งมันจะเป็นการเตือนอยู่ตลอดเวลาทั้งวันจะเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ถ้าหากเราฝึกอย่างนี้นั่นะเท่ากับว่าเรามีคุณธรรมมีสติคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลามันก็ได้ผลดีอย่างหนึ่งทาให้เราได้ภาวนาเพียงแต่คิดนึก เพียงวินาทีสองวินาทีเท่านั้นจิตมันดิ่งลงไปแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างสูงแล้วอันนี้แหละวิธีหนึ่งแล้วท่านบุคคลหรือท่านผู้ใดมีอุปนิสัยที่ทำอย่างอื่นแล้วมันดีกว่าเราก็ทำอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นมันก็เป็นแนวของเราก็ได้ทั้งนั้นจะโดยแนวใดแต่ถ้าหากแนวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์ ก็ได้ถือปฏิบัติแนวนี้มาแล้วทั้งนั้นดังนั้นในการบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เราจะเอาอะไรเราต้องการอยากจะพ้นทุกต้องการอยากจะมีความสุขทีนี้เรายังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งโลกนี้ยังแสดงละครอยู่ยังไม่จบ ยังไม่ปิดฉากในละครชีวิตของเราเมื่อเราสิดลมหายใจเมื่อไรเมื่อนั้นแหละคือปิดฉากในการแสดงละครของเราแล้วโลกนี้คือละครมันก็มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรากําลังอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมีบุญธรรมกรรมเตะหนุนนาให้เราดังนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจยังเดิน ไปบนเส้นทางแห่งวิถีชีวิตที่อยู่ในโลกเราจะทำอย่างไรให้มีความสุขเราก็มาประกอบด้วยการประพฤติธปฏิบัติธรรมด้วยการฝึกจิตของเราให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มิจะมีต้นกล้าแห่งความรู้เกิดขึ้นเข้ามากำกับเรียกว่ามีสติตัวสติตัวนี้ รวมกับปัญญาก็กลายเป็นสติปัญญามีความรู้สึกมีความนึกคิดเกิดขึ้นมากับภาวะการที่จิตของเรานิ่งอยู่นั้นเนี่ยแล้วว่าต้นกล้าแห่งปัญญาแล้วก็นำสิ่งนั้นแหละตัวนั้นแหละเข้ามาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลแต่ในสายของครูบาอาจารย์ ถ้าจะสอนให้เรานั้นมาพิจารณาสังขารร่างกายเพื่อจะได้คลายอุปทานการยึดมั่นถือมั่นให้มาคลายตัวนี้ก่อนตัวยึดมั่นถือมั่นตัวนี้เมื่อคลายอุปทานแล้วตัวอื่นๆมันก็จะมองเห็นเงื่อนไขมองเห็นเงื่อนงำที่เราจะเข้าไปคลายปมเงื่อนเหล่านั้นให้มันออกจากการล้อยรัดจากการผูกรัด ไม่ว่าจะเป็นอวิชชาตันหาอุปาทานหรือกับที่มันรัดบึงจิตใจของเราอยู่นั้นเราค่อยๆจะมองหาได้ด้วยสติปัญญาที่มันเกิดเป็นต้นกล้าขึ้นกับเวลาที่จิตของเราสงบเป็นสมถะดิ่งลงไปสู่ความเป็นหนึ่งต้นกล้าก็คือความรู้สึกความมีสติ คอยประคับประคองจิตให้ดิ่งลงไปสู่ฐานแห่งความสงบนั่นแหละจะจะกลายเป็นต้นกล้าแห่งปัญญาพัฒนาตัวเราให้เด่นขึ้นให้เด่นขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จต้องมาจิตยุยกเอาตัวนี้แหละจะเอาธรรมะข้อใดดังที่ครูบาอาจารย์ให้ได้พัฒ น, นาถึงธรรมะหลายๆข้อเริ่มต้นจากการเป็นผู้มีศีล ทุกคนนั้นมีศีลทั้งนั้นมีศีลด้วยกันทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์แต่มันจะครบทั้งห้าข้อหรือไม่นั้นก็สุดแท้แต่ภาวะการสุดแท้แต่เหตุการสุดแท้แต่สภาพแวดล้อมถ้าหากเราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาสู่ชมรมพุทธศาสตร์ที่เราได้จัดได้กระทำขึ้นไม่ว่าจะเป็นชมรมพุทธศาสตร์ทีโอที ชมรมพุทธศาสตร์ของวังจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดชมรมพุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายปริหรืออะไรต่างๆที่ตั้งเป็นชมรมเพื่อนิมนต์ครูบาาจารย์มาสอนธรรมะมาฝึกการปฏิบัติมาให้ธรรมะเพื่อเป็นอาหารใจ แต่ละท่านละท่านท่านก็มีประสบการ์ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ที่มีครูมีอาจารย์มากันทั้งนั้นมาเพื่อให้ธรรมะแก่เราบางท่านก็ประสบด้วยตัวท่านเองอย่างล้ำลึกบางท่านก็ประสบด้วยปัญหาต่างๆแล้วก็เกิดธรรมะท่านก็จะนำแนวนั้นมาอบรม มาชี้แจงให้เราได้ทราบเป็นแนวทางแล้วใครมีอุปนิสัยมีความคล้ายคลึงก็จะน้อมรับไปประพฤติปฏิบัติแต่บุคคลใดมีหลักใจของตัวเองอยู่แล้วมีแนวปฏิบัติอยู่แล้วเมื่อได้ฟังวิธีการหรือในยะก็จะไขปัญหาให้แก่สิ่งที่เราคล้อง หรือทำให้เรากระจ่างยิ่งขึ้นก็สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เจริญและลุดหน้าสืบต่อไปทีนี้หัวข้อธรรมที่เรานำที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติที่มันอยู่กับเราทุกวันนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นรากเหง้าของอของ ของอกุศลลมูลความโลภความโลภเป็นเหตุให้เราดิ้นหล่นต้องการที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพย์ซึ่งสิ่งของนี่มันก็คือความโลภแต่ทุกคนมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นมาอย่างไรก็มีด้วยกันทั้งนั้นแม้พระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันก็ยังก็ยังอยู่ในสิ่งเหล่านี้อยู่ จ้องพ้นจะพ้นได้จริงๆก็ตั้งแต่พระอนาคาบีขึ้นไปก็สู่พระอรหัตตผลแต่และอยู่ในเสะเขะบุคคลที่เป็นอริยชนก็ยังตกอยู่ในห่วงนี้แต่ท่านมีธรรมะ ม, มีอัปปมาทธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตดังนั้นเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติธรรม เพื่อที่จะชัดดำจิตใจของเราให้มันนิ่งเมื่อจิตใจของเรานิ่งความสะอาดก็จะปรากฏให้เห็นปร่เห็นอย่างไรที่นี้กระแสจิตของเราที่มันจะนิ่งลงไปนั้นเราต้องอยู่ในสถานที่เงียบบัด น, นี้ท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่ในสภาวะที่เงียบคือเสียงมันมีแต่เสียงเทศเสียงพูด ทุกคนนั้นเงียบนะครัเรียกเงียบมันก็จะเกิดความสงบก็คือกระแสจิตหรือพลังจิตที่มันรวมลงรวมลงเราก็จะรู้ว่าจิตของเรากําลังเราหายใจเข้ายาวนั่นเหมือนหนึ่งว่าอัดอัดแน่นพลังลงไปแล้วพลังรวมลงไปในจิตของเรามากๆความรู้สึกของจิตที่อยู่กับอารมณ์เดียว ไม่ได้ร้านไปกับอารมณ์อื่นมันก็จะซึมซับเอาพลังเหล่านี้รวมลมรวมลว ม, ล ม, ลมก็เกิดความหนักแน่นเมื่อมีความหนักแน่นมันก็จะดิ่งลงสู่ฐานนี่แหละเมื่อมันดิ่งลงไปสู่ฐานก็เรียกว่าความสงบแห่งจิตเมื่อความสงบแห่งจิตปรากฏก็จะเกิดกระแสพลังจิตมาพร้อมกับกระแสจิตกระแสจิตก็เกิดภาวะแห่งเส ก็คือความสว่างแสงแห่งความแสงคือความสว่างปรากฏขึ้นชัดบ้างไม่ชัดบ้างสิ่งเหล่านี้เรียกว่าจิตของเรากำลังเริ่มสะอาดแล้วมันจะฉายออกไปเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือตาในตาใดที่จะมองเห็นว่าจิตของเราเป็นอย่างไร ก็เกิดภาวะการสว่างขึ้นนี่แล้วว่าจิตสว่างทีนี้เมื่อจิตสว่างก็มีต้นกล้าแห่งปัญญาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำความสว่างเหล่านั้นให้มันปรากฏชัดแล้วก็จะเข้าไปสู่ความสะอาดสู่ความสะอาดของจิต ความสะอาดก็คือจิตมีมีธรรมะเกิดขึ้นมากำกับธรรมะตัวนั้นก็คือตัวตื่นตัวการตื่นตัวนี่เรียกว่าสติปัญญาตัวสติปัญญาก็จะพัฒนามาเป็นการที่เล่งให้เรานั้นมีความรู้สึกปกป้องพลังจิตและกระแสจิตที่มันรวมลวงไปนั้น เนี่ยก็เกิดเป็นตัวธรรมมรรขึ้นมาก็จะพัฒนาไปสู่ความสะอาดความสะอาดของจิตก็คือความนิ่งลงไปได้นานก็ไปสู่ความบริสุทธิ์จิตเริ่มบริสุทธิ์ต่อแต่นั้นมาเราก็พัฒนาปัญญาเพื่อจะให้ปัญญานั่นแหละไปเป็นเครื่องรักษาจิต เมื่อมีปัญญาไปเป็นเครื่องรักษาจิตจิตของเราก็จะไม่เพ่งความก็จะมีปัญญาตามรักษาเรียกว่าธรรมโมลัคเวและธรรมธรรมโมลัคติธรรมจารีทรรแลย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยตัวธรรมมะตัวนี้ก็เข้าไปรักษาตัวเราผู้ประพฤติ ธ, ธรรม รักษาจิตของเรามาให้ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อเกิดความประมาทมันก็จะกระตุ้นให้เราคืนกลับมาสู่ความเป็นผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นขึ้นมาจากสติก็กลายเป็นสติปัญญาเข้ามาคอยที่จะพัฒนาตัวเราให้โดดเด่นให้มีธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้ดังนั้น ข้อที่เราควรจะําเนียกก็คือหนึ่งการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนี้มันเป็นภาวะที่จะทำให้เกิดการกระตื้อการกระตุ้นเตือนให้เราเกิดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็ได้ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในอั ป, ปมาทธรรมคือความไม่ประมาท ได้ธรรมะบทหนึ่งที่จะเข้าไปตามรักษาจิตของเราแล้วเมื่อจิตของเราสงบเราก็จะได้ธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือความไม่มีความปฏิสาระเดือดร้อนก็คือปิติธรรมปิติธรรมเกิดขึ้นสุขาธรรมก็เกิดขึ้นปิติและความสุขเกิดขึ้นเอกคตาธรรมความนิ่งก็ปรากฏเ้าเรียกว่าอุเปขาธรรมนั่นเอง ก็จะปรากฏแก่เราและทีนี้เมื่อเรานำมาพินิษพิจารณามันก็จะเกิดการแตกฉานขึ้นเมื่อเราเจาะลึกเข้าไปจะพิจารณาอุปาทานอุปาทานก็คือการยึดมั่นถือมั่นการถือว่าของเราตัวเรายึดถือว่าเป็นอัตตาอัตตาตัวนี้มีความคิดมีความรู้ก็จะถือว่าตัวเองมีความรู้ ก็เป็นอัตราถือว่าตนมีความรู้ก็จะเกิดความมานะว่าตัวเองมีความรู้นี่น่ะมันเป็นกิเลสตามขึ้นมาอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรามาเข้าใจมันก็จะค่อยๆลดออกอุปทานการยึดมั่นถือมั่นมันเป็นยางเหนียวที่จะเกาะจิตให้เวียนเวียนว่ายตายเกิด ติดอยู่ในภพติดอยู่ในชาติก็เพราะความเพราะมีอุปทานการยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูสมบัติของกูเลือกสวนไล่นาบ้านช่องห้องโถ อ, อะไรก็ของกูลูกหลานของกูทรัพย์สมบัติของกูนี่คือตัวอุปาทานดังนั้นตัวนี้แหละท่านให้เรามาพิจารณาก่อนก่อนที่จะไปสู่กิเลส หรือไปสู่ภาวะธรรมที่มันรัดตึงจิตใจของเราตัวอื่นเราก็จะเข้าถึงธรรมตัวนี้แล้วก็ค่อยๆพยายามลดละลดจากภาวะที่ถือตัวถือตนมาณว่าตนเป็นโน่นเป็นนี่มาณว่าตนมีความรู้มาณว่าตนมีทรัพย์สินเงินทองมาณว่าตนหลายๆประการที่มันเกิดขึ้นที่ มันจะทําให้เกิดทิฏฐิมานะก็คือความเห็นตัวเองในตัวนี้แหละเมื่อเรามีปัญญามาตามพินิษพิจารณาหาเหตุหาผลทีนี้มันพิจารณามันไม่ไม่ปรากฏพิจารณาแล้วมันก็ยังไม่เกิดผลอะไรท่านให้ไปพิจารณาสังขารร่างกายเจาะเอาอาการสามสิบสองในร่างกายนี้ มาพิจารณาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาเห็นตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลเป็นของสกปรกผ่องผอมมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามเป็นจริงก็จะเกิดธรรมะเกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อชี้แนวทางให้แก่เราที่จะเริ่มต้นประพฤติปฏิบัติ เจะลึกลงไปเมื่อเกิดธรรมะเกิดข้อที่จะเป็นแนวแห่งการพินิจพิจารณาก็จะทําให้เราพินิจพินจ พ, พิจารณาเจาะจงลงไปเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้อันนี้แหละเขาเรียกว่าธรรมะที่มันเกิดขึ้นในดวงจิตของเรานี้ทุกคนมีจิตทุกคนมีความนึกคิด ทุกคนมีความอยากอยากได้อยากมีอยากได้อยากมีอยากดีอยากเด่นทุกคนตกอยู่ในความโลภ ก, ก็คือต้องการทุกคนตกอยู่ในความโกรธไม่พอใจก็ไม่พอก็เกิดเลือดขึ้นหน้าหรือมันเดือดขึ้นมาไม่สบกับอารมณ์ถ้าระงับไม่อยู่ก็แสดงอาการกิริยาทั้งทางการทางกาย ด้วยการวิการกายต่างๆการตบการตีทางวาจาด้วยการกล่าวในสิ่งที่เป็นพรุศวาะเป็นสิ่งเป็นคําพูดที่หยาบๆในทางใจก็อาฆาตนี้ก็เขาเรียกว่าความโกรธทีนี้ความหลงความหลงนั้นก็คือหลงหลงในคติของตนเองหนึ่งหลงงมงาย ไ, ไม่รู้ด้วย สภาจริตหนึ่งหรือหลงด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองมีทิฏฐิมานะว่าสิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใครบอกใครกล่าวก็ไม่ฟังฟังของตัวเองตัวเองได้มาอย่างนี้เรียนรู้มาอย่างนี้ฝึกมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนี้นั่นแหละก็เรียกว่ามีอัตตามีทิฏฐิคือความเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตกอยู่ในความหลง ทีนี้ความเพลิดเพลินเพลินอยู่ในทรัพย์สินสริงคารเพลินอยู่ในครอบครัวเพลินจนกระทั่งลืมนึกถึงว่าวันวันวันเวลาวันคืนผ่านไปผ่านไปวันคืนเหล่านั้นก็คืนเอาชีวิตของเราแต่และ ว, วันละ ว, วันนั้นหมดไปหมดไปชีวิตที่เราจะอยู่ในโลกนี้สองหมื่นกว่าวันเกือบสามหมื่นมันก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วคุณธรรม หรือว่าบุญกุศลที่มันหมดไปหมดไปกับการเวลานั้นเราได้ทำไว้บ้างไหมถ้าเราไม่ได้จะทำมันก็ศูนย์ไปแล้วจุดๆุนั้นก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มต้นแต่บัดนี้เริ่มต้นไปใหม่ถ้าทำดีอย่างยิ่งยวดก็ดีกว่าวันเวลาที่ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เหล่านั้นดังนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้ววันทุกนี้มันจะค่อยๆคลี่คลายแล้วก็พัฒนาตามไปด้วยแล้ววันต่อตงไปมันก็จะดีขึ้นตามที่เราทำดีที่สุดในวันนี้ดังเช่นพระเบญชาวสัตว์ว่าให้ตั้งตนในอยู่ตั้งตนอยู่ในปัตตุวันอดีตที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยไปมันผ่านไปแล้วมันใช้ก ร, รมใช้เวรกันไปหมดแล้วมันผิดอะไรก็หมดไปหมดแล้วไม่มีกลับมาอีกแล้ว มันหมดไปแล้วการเวลานะั้นก็ลบไปแล้วตั้งตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็คอยที่ว่าในอนาคตมันจะมาอย่างไรนั่นเองดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นชมรมพุทธศาสตร์ทีโอทีแห่งนี้ตลอดจนญาติธรรมทั้งหลายเราได้มีการจัดกิจกรรม ในการไหว้พระรับศีลฟังธรรมเดือนละสองครั้งแล้วก็มีกิจกรรมในวันนักขตรรัตฤกิกวันปีใหม่วันสงการานต์ที่เราเคยจัดเคยทำอันนี้แหละไี้ว่าเป็นการให้โอกาสแก่พนักงาน TOT ตลอดจนญาติที่ทำทั้งหลายได้มีสนามได้มีสถานที่ในการมาบำเพ็ญภาวนาอย่างนี้ ก็นัาว่าเป็นบุญเป็นบารมีของผู้ที่คิดคบที่คิดประกอบและกระทมให้เกิดเป็นมักเป็นผลขึ้นมาจนกระทั่งพวกเราได้ดำเนินตามตามอยู่อย่างนี้นับว่าเป็นการดีมากดังนั้นในที่สุดแห่งการแสดงธรรมนี้ก็ขอรัตนาคุณภาษีรัตนะไตรยคือพระพุทธพระธรรมและพระนิยสงฆ์จงอภิบาล ร, รักษาท่านสาธุชน ที่มาประชุมพร้อมกันที่เนี่ยที่ได้มาสนับสับฟังพระธรรมเทศนาได้มาทํากิจกรรมต่างๆเป็นต้นว่าการให้ทานการสมาทานศีนีการเจริญเมตตาภาวนาก็ขอบุญบา ร, รมีอันนี้จงเป็นพระวัปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจหน้าที่การงานพร่งพร้อมไปด้วยสมบัติทัฒนานความทุกข์อย่าได้ความเจ็บไข้ยอย่าเกิดมี ความขัดสนจนอับอย่าปรากรคำว่าไม่มีขออย่าให้ได้ยินในที่ที่ไปแล้วได้ไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงชนะตลอดปลอดภัยเสมอพบเจอแต่คนดีและสิ่งที่ดีมั่งมีสีสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนร่ำรวยด้วยเงินและทองผ่องใสในจิตมีเต็มิตรไม่มีศัตรูเมื่อท่านยังดำรงชีพอยู่ในโลกนี้ขอให้มีสุขภาพพลานามายัยสุขสมบูรณ และในที่สุดนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้บรรลุคุณธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมขอ ง, งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้จงทุกทุกท่านดังที่แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการลักษณะ